จเจรินพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งในชีวิตจิตใจ ของชาวไทยทั้งปวง <c oughs> เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยธรรมอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและเป็นปีที่สำคัญเพราะได้ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ พระพันศาพวกเราทั้งหลายชาวไทยที่มีความจงรักภักดีมีความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในพระบุญบา ร, รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้มาร่วมกันประกอบคุณงามความดีเป็นการถวาย เป็นพระราชกส า, าระเป็นการถวายพระพรด้วยการสวดสรรเสริญพระบารมีด้วยการกราบไหว้และด้วยการประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเป็นการบูชา บุคคลที่สมควรแก่การบูชาอย่างยิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแก่พวกเราทั้งหลายดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังตะลมุตตะมังการบูชา บุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตบุคคลที่เป็นบุคคลที่ควรบูชานั้นก็คือบุคคลที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมให้กับโลกนั่นเองเช่นพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้บูชา หรือพระ อ, อรหันตสาวกทั้งหลายและพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมและครูบาจารย์พ่อแม่ที่มีพระคุณทั้งหลายเหล่านี้เป็นบุคคลที่เราพึงบูชาอยู่เสมอด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชา อมิสบูชาก็คือการบูชาด้วยการกราบไหว้ด้วยเครื่องสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ทูบเทียนปฏบิบัติบูชาก็คือการประพฤติตนให้อยู่ในโอวาทของท่านและให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีให้อยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีกัน นี่คือการบูชาที่แท้จริงอยู่ที่การอยู่ที่ปฏิบัติบูชาเพราะการกราบไหว้บูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆนั้นยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ไม่เหมือนกับการปฏิบัติบูบชาประพุติตนให้เป็นคนดีให้อยู่ในสังคม ด้วยความรักด้วยความสามัคคีเพื่อสังคมของเราจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการที่เรามีผู้นำที่ดีเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็เป็นเหมือนกับมีคนขับรถที่ดีถ้าเรามีคนขับรถที่ดีก็จะสามารถขับรถไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ได้อย่างรวดเร็วถ้าเรามีคนขับรถไม่ดีก็อาจจะไปอย่างทุลักทุเลและอาจจะหลงทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะประสบกับอุบัติเหตุต่ตางๆกลางทา ง, า ง, างทำให้ต้องเกิดความเสียหาย เกิดการเสียชีวิตไปได้นี่คือตัวอย่างของผู้นำที่ดีและผู้นำที่ไม่ดีถ้ามีผู้นำที่ดีก็จะพาให้ประเทศชาติอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจเจริญก้าวหน้าไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวต่างๆมาคอยทำลายประชาชน ถ้ามีผู้นำไม่ดีบ้านเมืองก็จะวุ่นวายจะเดือดร้อนจะมีแต่การทำร้ายทำลายกันดังที่เราเห็นกันอยู่เนืองๆในประเทศที่มีผู้นำไม่ดีมีการเข็นฆ่าประชาชนของตนเองนับจํานวนเป็นแสนเป็นล้านได้หรือไม่เช่นนั้นก็ไปสร้างเหตุ ทำให้ผู้อื่นต้องมาเข็นค่าประชาชนของตนเช่นในอดีตที่มีสงครามโลคก็เป็นเพราะมีผู้นำไม่ดีนั่นเองเป็นผู้นำที่ไม่มีศีลธรรมจะคิดแต่เอาการทำร้ายกันเป็นการตัดสินปัญหาและก็ต้องทำให้ประชาชนของประเทศชาติ ทังของประเทศของตนเองและประเทศของผู้อื่นนั้นต้องเสียชีวิตล้มตายไปเป็นจำนวนมากแต่ประเทศไทยของเรานี่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีกษัตริย์ที่ทรงธรรมคือมีความเคารพในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในศีลธรรมคือไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้ายผู้อื่นยกเว้นในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวต้องป้องกันประเทศชาติเท่านั้นแต่จะไม่ลุกรานไม่ไปทำศึกสงครามเพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดนหรือทรัพย์สมบัติต่างๆประเทศไทยจึงเป็นจึงอยู่มาได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาตลอด ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆในโลกจะมีสงครามโลกถึงสองครั้งด้วยกันและมีสงครามรอบประเทศแต่ประเทศไทยของเราก็อยู่กันมาได้อย่างสงบสุขนี่เป็นเพราะว่าเรามีผู้นำที่ดีนั่นเองเป็นผู้นำที่มีปัญญาคือ เป็นผู้ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและได้นาเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาใช้ในการปกครองประเทศจึงทำให้ประเทศของเรานั้นอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายไม่มีปัญหามากมายเหมือนกับประเทศอื่นๆไม่มีการล้มตายไปเป็นจำนวน เบินจะจำนวนแสนนี่คือบารมีของพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ที่ได้ทรงตรวครองประเทศชาติมาจนเลยถึงปัจจุบันนี้พวกเราที่เป็นเหมือนกับลูกหลานของท่านเราก็สำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้จึงได้น้อมเอาพระดำรัสต่างๆ ที่ได้ทรงตัสสอนให้ประชาชนไว้นำไปปฏิบัติเพื่อจะทำให้เราอยู่กันอย่างเจริญรุ่งเรืองอยู่การอยู่กานอยางร่มเย็นเป็นสุขวันนี้เราเห็นว่าเป็นวันสำคัญเราจึงได้สละเวลาของเหานี้มาบำเพ็ญคุณมาบำเพ็ญประโยชน์มาทำบุญมาสร้างกุศล แล้วก็ถวายเป็นราชสักการะเพื่อให้พระองค์ได้ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำแก่พวกเราไปเป็นเวลาอันยาวนานการกระทําของเรานี้จะทําให้พระองค์ทรงมีพระกำลังใจที่จะอยู่ เพื่อนำพาประเทศให้อยู่ไปอย่างร่มเย็นเป็นสุขไปเท่าที่จะสามารถที่จะทำได้ดังนั้นขอให้พวกเราจงสำนึกในพระราชดำรัสที่ทรงตรัสสอนพวกเราที่ให้รักสามัคคีกันให้เรารักกันสามัคคีกันช่วยเหลือกัน อย่ามองว่าเราเป็นคนต่างจากกันคือหมายไม่ได้หมายให้หมายให้ว่ามองว่าเราเป็นเหมือนพี่น้องกันไม่ได้เป็นคนมาจากคนละทิศคนละทางประเทศของเราก็เป็นเหมือนบ้านของเราเรามาเกิดในประเทศนี้คนไทยทุกคนก็เป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องกัน เราควรที่จะรักกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันมีปัญหาอะไรก็ขอให้เราพูดคุยกันทำความเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันก็ต่างคนก็ต่างสงบคือให้สมวนความต่างเอาไว้อย่าเอาความต่างมาเป็นเหตุให้เป็นปัญหา ให้เป็นความแตกแยกเช่นคนสองคนคนหนึ่งอยากจะรับประทานอาหารไทยอีกคนอยากจะรับประทานอาหารฝรั่ง <c oughs> ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทะเลาะกันไม่จําเป็นจะต้องทะเลาะบางังค่ากันหรือบังคับให้คนหนึ่งนั้นรับประทานอาหารตามที่เราต้องการจะรับประทาน <c oughs> เขาชอบรับประทานอย่างนั้นก็ให้เขารับประทานอย่างนั้นไป เรารับประทานอย่างนี้เราชอบรับประทานอย่างนี้เราก็รับประทานอย่างนี้ไปไม่จำเป็นที่จะต้องมาทะเลาะวิวาดกันขอให้เราเคารพในสิทธิของกันและกันในสิทธิเสรีภาพที่จะมีความรู้สึกนึกคิดต่างกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพในการในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น คือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามที่เราชอบแต่ถ้าขอให้เราทำโดยที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่สร้างความวุ่นวายสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเช<ม>่นเราชอบดื่มสุรายาเมาก็ขอให้ดื่มที่บ้านดื่มที่บ้านแล้วก็มัดตัวเองไว้กับเตียงนอนพะ พอดื่มไปจนเมาไม่ได้สติก็จะได้ขึ้นเตียงนอนไปได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่าไปดื่มที่นอกบ้านแล้วต้องขับรถกลับบ้านเพราะเมื่อเมาสุราแล้วเวลาขับรถกลับบ้านก็จะไม่สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเสียหายถึงกับชีวิตก็มีมาเป็นจํานวนมากแล้วนี่คือความหมายของการเคารพในความต่างกันถ้าอยากจะกินเหล้าก็กินไปถ้าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแต่ถ้าอยากจะทําให้ตัวเองดีขึ้นไม่เป็นทาสของพิษสุรา ก็ไม่ควรที่จะไปดื่มสุราเพราะการดื่มสุรานี้มันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งสุขภาพเสียทั้งเวลาและเสียทั้งความปลอดภัยของผู้อื่นถ้าเราเลิกสุราได้เราก็จะได้ประหยัดทรัพย์เราจะได้มีเวลาทําความดี เราจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่คือความหมายของการดำรงอยู่ในสังคมทุกคนนั้นมีสิทธิที่เสรีภาพที่จะอยู่จะทำอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามคือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นเท่านั้นเองดังนั้นถ้าพวกเรา มีธรรมะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมเอามาปฏิบัติแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทําการความรู้สึกนึกคิดที่มีความแตกต่างกันความแตกต่างกันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเหตุให้พวกเราต้องมาเกิดความแตกสามคัคคีเกิดการเกลียดแค้นโกรธแค้นกัน ขอให้เราเคารพความต่างของกันและกันคนหนึ่งชอบสีแดงก็ให้เขาชอบสีแดงคนหนึ่งชอบสีเหลืองก็ให้เขาชอบสีเหลืองไม่จาเป็นที่จะต้องไปเกลียดชังคนที่เขาไม่ชอบสีเดียวกับเรารือมีรูปมีมีการกระทำที่ไม่เหมือนเราเป็นต้นถ้าเรามีความ เห็นอกเห็นใจกันเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเราไม่ทะเลาะวิวาทกันปัญหาต่างๆก็จะไม่มีตามมาทุกภัยต่างๆก็จะไม่มีตามมาจะมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียวและเราจะอยู่กันได้อย่างปลอดภยัยเวลามีภัยคุกคามมา พวกเราก็จะพร้อมที่จะร่วมใจกันต่อสู้กับภัยต่างๆที่มาคุกคามได้เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเรามีผู้นำที่ดีเป็นตัวอย่างให้เราได้นำไปปฏิบัติถ้าเรามีผู้นำที่ไม่ดี เราก็จะปฏิบัติตามผู้นำที่ไม่ดีเช่นถ้ามีผู้นำที่เห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะมีความเห็นแก่ตัวและจะไม่เห็นความสำคัญเห็นประโยชน์สุขของผู้อื่นเท่ากับประโยชน์สุขของตนถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดการแก่งแย่งชิงดี แกเกิดการเข็นฆ่ากันทำลายกันดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ในประเทศที่ขาดผู้นําที่ดีขาดธรรมะปกครองประชาชนก็จะมีแต่การเข็นฆ่ากันทุกวันบอดข่าวฟังข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะมีการฆ่ากันอยู่เสมอนี่ก็ไม่ได้มาจากอะไรมาจากการขาด ผู้นำผู้ดีที่ดีนั่นเองผู้นำที่ดีนึ่งจะเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นเหมือนกับคนขับรถนั่นเองถ้าคนขับรถไม่เมามีสติครบถ้วนบริบูรณ์มีความสามารถในการขับรถรู้จักทางที่จะไปก็จะพาให้ไปได้อย่างปลอดภัยอย่างไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว โดยสวัสดิภาพถ้าผู้ขับเป็นคนเมาสุราไม่รู้จักทางขับรถไม่เป็นก็ไม่ไปถึงไหนจะไปไม่ถึงไหนจะต้องลงไปข้างคูข้างคลองที่ไหนสักแห่งอย่างแน่นอนนี่แหละคือตัวอย่างของผู้นำที่ดีและไม่ดีเป็นอย่างนี้ พวกเราถือว่าโชคดีได้มาเกิดในประเทศที่มีผู้นำที่ดีเราได้รับประโยชน์จากท่านเราก็ควรที่จะตอบแทนท่านด้วยการน้อมเอาพระดำรัสของท่านนี้มาประพฤติปฏิบัติที่ทรงตัดให้รู้รักสามคัคคีขอให้พวกเรารักกันมีความเมตตาต่อกัน สามัคคีกันให้อภัยต่อกันอย่าไปคิดว่าเป็นคนอื่นขอให้คิดว่าเราเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องกันแล้วเราจะอยู่กันได้อย่างรน้มเย็นป็นสุขปลอดภัยจากปัญหาต่างๆจึงขอฝากเรื่องของการบูชาผู้สมควรแก่การบูชาด้วยอาบิสบูชา และด้วยปฏิบัติบูชานี้ให้ท่านได้น้อมนำเอาไปพินิตติพิจารณาและปฏิบัติและถวายเป็นพระราชสักการะถวายพระพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระชนมายุอยู่ยิ่งยาวนานเป็นที่พึ่งเป็นล่อมโพล่อมใสของพวกเราไปให้ได้เป็นเวลาอันยาวนานต่อไป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 มีแต่ความสุขและความเจริญโดยทั่วหน้ากันเธอ